ใ น, นกำลังพายเป็นศาลาประมาณ40คนมาวัดก็เหมือนกันมาชาร์จแบตเตอรี่ พลังใจพลังใจนี้สำคัญอย่างมากับการเดินทางออกจากการเหยีย่ตายเกิดถ้าไม่มีพลังใจก็จะไม่สามารถปลุกออกจากการหยียบ่ตายเกิดได้เหมือนกับจรวดที่จะส่งยา น, นออกจากออกจากวามบินโดกของ ของโลกไปได้จรวกจะต้องมีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกถ้าแรงดึงดูดของโลกมีกำลังมากกว่าจรวดก็จะไม่สามารถดึงออกจากการดึงดูดของโลกให้ตกกลับลงมาที่โลก ไ, ได้เพราะฉ น, นเวลาที่เขาออกแบบสนวด เต <S <S <piano> <ary> name, ้องคำนวณดูกำลังของแรงบินดูของโลกว่ามีมากน้อยเท่าไรเขาต้องสร้างจรวดให้มีกำลังให้มีแรงมากกว่าแรงดินดูของโลกจรวดหิือยานอวตาศถึงจะสามารถออกจากภระแสเพราะ พลังแรงดินดูดของโลกน้าสามารถพยายามไปสู่อากาศไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการให้ไปได้เชื่อไปโลกประจันไปดาวพานแขนใดใจที่ต้องการจะหลุดออกจากแรงดินดูของวิเลตปัญหา ที่เดินเดิให้เรียนไห้อยู่ในวัดจักรคือในการเรียนไ่าตายเกิดเกิดแก่เิตใจจรวดยึดจิตใจก็ต้องมีกำลังใจที่มีกำลังมากกว่ากำลังดินเดินดของกิเลสปัญหาอาวิชชาโมหะ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่หรือชาร์จกาลังทั้นกำลังของจิตใจให้สามารถหยุดออกจากการเดินดูอของกิเลสปัญหาได้เพราะมีพระพุทธศาสานาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีการ สร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นที่มีกำลังมากกว่ากำลังดึงดูของกิเลสันหาที่ดึงดูจิตใจของสารโลกให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารในองค์จามุบาทแท่งการวิไห่าตายเกิดถ้าไม่มีชั่พุัณหาสะนาะ สามโลกจะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างกำลังใจที่จะฝักดันให้จิตใจหลุดออกจากกระแสรุนแรงของกิเลสปัญหาได้เลยดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนกับพบที่ชาติจแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่มือถือของเรา เวลาใช้แบบหมดแล้วถ้าต้องการประชารแบบถ้าไม่มีที่ชาร์จแบบก็จะไม่สามารถชาร์จแบบให้มีพลังงานไวสำหรับขับเคลื่อนคลอศับมือถือได้ดังนั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็าเหมือนกับไม่มีที่ชาร์จกําลังใหญที่จะทําให้ใจนี้มีกําลังให้ เดินออกจากกระแสดึ ง, งดู่ของวัตถุของกิเลสปัญหาได้เพราะั้นเมื่อเราได้มาพบกับพิธิศาสนาะ่ะสิ่งที่เราควรจะทำกันอย่างมากก็คือชาริกกำลังใจกันมาอัดกำลังใจมาเติมนกำลังใจกัน สิ่งที่จะทำให้ใจมีกำลังด้วอคุณธรรมที่จะทำให้ใจมีกำลังนี้ก็มีอยู่5ข้อด้วยกัน5คุณธรรมด้วยกันคือ1ศรัทธา2วิริยะสาสติ4สมาธิและ5ปัญญาอันนี้แหละคือเพิื่องที่จะทำให้ใจมีกำลัง ที่จะสามารถเอาชนะกำลังของกิเลสปันหาที่คอยดึงให้จิตใจเวียนว่ายายเกิดได้ศรัทธานี้เป็นคุณธรรมอันแรกที่เราต้องดีก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีวิริยะไม่มีสติ ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตามมาศรัทธาใน พ, พระธรรมพระสงฆนี้ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระอริยสสาวกศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ทรงค้นพบวิธีสร้างกำลังใจให้มีกำลัง มากกว่าสิเลตปัญหาที่ทำให้พระองค์ได้ดิบค้นจากการเยู่นว่าตายเกิดศรัทธาในพระธรรมคำสอนก็คือเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะทำให้ผู้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติสามารถสร้างกำลังใจให้ได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมา ให้ได้มีกำลังที่จะเอาชนะดิเรกตัญหาที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่าจตายตัได้ศรัทธาในพระอริยสงสารเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปปฏิบัติอย่างสมากสม่ำนจนในที่สุดจิตใจของท่านก็หลุดพ้นจากกาาระแสดึงดูดของวัตจักรได้หลุดพ้นจากการเมียว่าตายเกิดได้นี่คือศรัทธาที่เราควรจะมีถ้าเรามีศรทัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆเราก็จะเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะ สร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นให้มีกําลังมากกว่ากิเลสตัณหาที่จะทําให้เราสามารถอด้นจากการเยาว่าทายเกิดได้นี่คือข้อที่หเราอยากสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตเพระวตาธทำโมหรือไม่คือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบหรือไม่ ทำที่สามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หรือมากเราต้องมีความเชื่อมีความมั่นใจร0อเพอร์เซเราจะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรา 100% ยเซให้แก่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่พระอริยสงสาวุกร้งหลายได้ทุ่มเท ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าและในคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วจนได้บรรลุเป็นพระอราิยสงสาวกได้ดุจท้นจากการเยวิไหวก า, ายเกิดเป็นมาแล้วพวกเราก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างกําลังใจให้มีเท่ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลายเท่านั้นเอง ถ้าเราสร้างกำลังใจให้มีเท่ากับพระอริยสงสารทั้งหลายดาวสร้างวิริยะให้เต็มร้อยสร้างสติให้เต็มร้อยสร้างสมาธิให้เต็มร้อยสร้างปัญญาให้เต็มร้อยรับรองได้ว่าใจของเราจะมีกำลังมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาเราก็จะสามารถ อุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดการออกจากเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เป็นเหมือนการชักไปเยอะกันระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะดึงให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกฝ่ายหนึ่งจะดึงให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดฝ่ายไหนมีกำลังมากกวา่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่ ถ้าฝ่ายของพระพุทธเจ้าฝ่ายธรรมมีกําลังมากกว่าฝ่ายกิเลสตัณหาก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุนิพพานได้ถ้าฝ่ายกิเลสตัณหามีกําลังมากกว่าก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่คือเรื่องของใจ ที่เป็นเหมือนสมบัติของสองฝ่ายที่มาแย่งแย่งกันมาแข่งขันกันฝ่ายธรรมกับฝ่ายอธรรมฝ่ายธรรมก็คือฝ่ายของพระพุทธเจ้าพระอาริยสงสารวกฝ่ายอธรรมก็คือฝ่ายของพวกกิเลสปัญหาถ้ากิเลสปัญหารร ม, มีกำลังมากกว่า การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังจะมีต่อไปถ้าฝ่ายทำมีกำลังมากกว่าการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะเกิดตามมาการที่จะทำให้เกิดการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพี่ยนที่จ ะ, จะเจริญคุณธรรม3รประการก็คือสติ สมาธิและปัญญาถ้าเรามีศรัทธาแล้ววิริยะมันจะมาเองอย่างวันนี้ญาญยนก็มาเองมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีความาพร้เพียนที่จะเข้าหาธรรมะกันแทนที่จะวันนี้จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปตามกำลังของเกลียตัณหา กำลังของศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแรงมากกว่าจึง ไ, ได้ดึงให้จิตใจของท่านทั้งหลายเข้ามาหาธรรมะกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอันนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ชายชนะไปแล้วหนึ่งหนึ่งใบได้รางวัลแล้วหนึ่งใบแต่ยังต้องมีอีกหลายรางวัลด้วยกันที่จะต้องชิงกัน อันนี้เป็นเพียงรางวัลข้างต้นยังต้องชิงกันไปอีกหลายหลายรอบด้วยกันเหมือนกับเวลาที่เขาโชควยแข่งในโอลิมปิกเขาต้องโชคกันหลายรอบด้วยกันกว่าจะเข้าไปชิงเหรียญทองได้รอบแรกเข า, าชิงกันไปเพื่อที่จะขยับเข้าไปสู่เหรียญต่างๆตามลาดับ วันใดวันนี้เราได้ชนะกิเลแล้วเพราะว่ากิเลไม่สามารถชวนให้เราไปเที่ยวได้มีคนอีกมากที่ไม่ได้มาที่นี่เพราะถูกกิเลชวนไปเที่ยวกันแสดงว่าเขาแพ้เราชนะเราเก่งกับเขาแล้วให้คิดอย่างนี้บ้างเราจะได้มีกำลังใจว่าเราไม่ใช่เป็นผู้แพ้ตลอดเวลา เราก็เป็นผู้ชนะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าคิดจนกระทั่งทำให้เกิดความประมานนอนใจว่าเราชนะแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ให้คิดว่าเราชนะรอบที่หนึ่งแล้วการที่จะเข้าไปชิงเหรียญทอ น, ทอ น, นี้มันต้องมีอีกสามรอบด้ยวยกันถึงจะเข้าไปชิงเหรียญทอได้คือเราชนะรอบแรกเรามีสัทธ ขั้ที่สองเราก็ต้องมีมีความภาคเพีงที่จะเจริญสติตลอดเวลาการที่เราจะเจรญสติสติได้ตลอดเวลาเราก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ตามสถานที่สงบสงับเราจำเป็นจะต้องปีกวิเว้เราจำเป็นจะต้องสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกิ้นกาย เรียกว่าเสียสียงสังวรคือไม่ให้ตาของเราไปดูรูปที่ทําให้เกิดความสุดทางการอาม์ขึ้นไงเพราะจะทําให้เราติดกับของกิเลสตัณหาการปฏิบัติของเราก็คือการออกจากกับดักของกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ดูไม่ฟังรูปหรือเสียงและฟังอะไรต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการมาลม์ขึ้นมาเราก็ต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดเป็นอย่างต่ำศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยย่สิบเหล่านี้จะช่วยให้เราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะ ว่าเราไม่ต้องไปหาความสุขทาง ร, รูปเสียงสิ่งลบปวดภพเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธินี่คือรอบที่สองที่เราจะต้องเข้าไปชิงเอาชนะให้ได้เราต้องควบคุมบังคับใจของเราไม่ให้ทําอะไรไปตามกระแสะของความอยาก ความอยากในรื่นเสียงเสียงรถความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอย่างไม่เป็นวิธีที่เราจะทดสอบกำลังของเรากับกําลังของการหาก็มีอยู่ง่ายๆเอาวันไหนวันหนึ่งที่เราว่างจากภารกิจการงานแล้วกําหนดเวลาสักหชั่วโมงหรือแชั่วโมงหาเก้าอี้มาสักตัวหนึ่งเก้าอี้นั่งให้สบาย นังมันแล้วก็บอกว่าจะไม่ลุกจากเก้าอี้ น, นี้ไปจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนดไว้จะเป็นหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงก็ได้เอาน้ำมาตั้งไว้สักขวดหนึ่งในกรณีที่หิวน้ํารับประทานอาหารให้เรียบร้อยซะก่อนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารคือจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวครั้งเดียวนะในวันนั้น แล้วก็กําหนดเวลานั่งไปนั่งที่เก้าอี้แล้วต่อเท่กับความอยากที่อยากจะลุกจากเก้าอี้นั้นไปถ้าจะลุกไปก็เพียงต่างเหตุผลอั่นเดียวคือต้องเท่าห้องน้ำแล้วถ้าไปเข้าห้องน้ำก็ห้ามถลทถลนไปไหนต่อเข้าห้องน้ำเสร็จปิดแล้วก็ต้องกลับมานั่งต่อถ้านั่งแล้วปวดเมื่อยอยากจะลุกก็ยืนตรงที่ข้างๆเก้าอี้ก็ได้ ให้มีสอง ADL หมดคือนั่งกับยืนดูสักแชั่วโมงดูดูสิว่าจะทำได้หรือไม่ดูสิว่าจะเอาชนะความอยากนี้ได้หรือไม่ก่อนฟังแล้วมันน่าจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ให้อยู่กับที่เท่านั้นเองไม่ให้ทำอะไรตามความอยากสักแชั่วโมงดูห้ามนอนด้วยห้ามหลับด้วย ถ้าหลับแล้วมันก็ถือว่ามองคไปทัวใหญ่่าจะหลับกันถ้าหลับแล้วมันก็ไม่มีการต่อสู้กันลองทำดูถ้าอยากจะทดลองกำลังนึกของเรากับของทิศของกิเลสตัณหาดูว่าใครจะมีมากกว่ากันอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะ ตรวจดูกําลังของเราว่าเรามีกําลังว่าน้อยเพียงไรถ้าเรานั่งเฉยได้สักแป๊บชั่วโมงนี่นี่ไม่ได้หมายถึงต้องนั่งขัดสมาหลับตามจะอย่างใดให้นั่งบนเก้าอี้นวมที่นิ่มที่สบายนั่งห้อยเท้าแต่ไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ฟังอะไรไม่ให้อ่านอะไรแม่จะธรรมะก็ไม่ให้ดูไม่ให้ฟังคือต้องการให้ เอาใจนี้มาสู้กับกิเลสตัณหาอย่างเดียวดูว่าเราจะใช้สติควบคุมกิเลสตัณหาได้หรือไม่เช่นเวลาเกิดความอยากลุกอยากจะไปทําอะไรเราก็ลองควบคุมจิตใจด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการพิจารณาธรรมก็ได้พิจารณาอาการ3 2มของร่างกาย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเพื่อที่จะเบีเ่ยงเวงความคิดที่อยากจะลุกขึ้นไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้การเจริญสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับสิเรนตาหาอยู่อันนี้วิธีง่ายๆวิธีการปฏิบัติง่ายๆที่ไม่ต้องไม่ยุ่งยากอะไร เราให้เรามีห้องเงียบเงียบปิดประตูตห้องถังตัวเองไว้ในห้องแล้วก็นั่งชักป่ชั่วโมงดูยวเท่านั้นเี่ดูว่าจะทําได้หรือไม่ถ้าทําได้แล้วเราจะมีกำลังใจว่ากําลังใจที่จะปฏิบัติเรารู้แล้วว่าที่ปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ความอยากเท่านั้นเอง ร่งางกายเราไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมใจของเราจรึงต้องทุกข์มากนะทำไมนั่งอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเพราะว่าใจเราไม่สงบใจเราไม่มีสมาธิหรือใจเราไม่มีปัญญาที่จะตัดความอยากหยุดความอยากที่ทำให้ใจเราวุ่นวายที่ทำให้ใจเราเครียบนั่นเอง คือวิธีการเจริญสติเราต้องกําหนดเวลากําหนดสถานที่กําหนดเงื่อนไขถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติต้องตีเปืเ้อนอยู่ตามสถานที่สงบสงัดต้องสังเวมอินทรีย์สังเวมตาหูจมกูกร่างกายต้องไม่คุกคลีกันไม่คุยกันอยู่ตามลำพัง ต้องควบคุมการบริโภคอาหารคือให้รับประทานอาหารพอประมาณเช่นรับประทานมื้อเดียวก็พอแล้วก็ให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ใจคิดพุ่งคิดไปเล่นเปอยๆเพราะจะทําให้เกิดความอยากเกิดความทุ่งร้างเกิดความเครียดขึ้นมาจนไม่สามารถนั่งอยู่ทุฉีๆได้ แต่ถ้าสามารถควบคุมความคิดควบคุมใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้เครื่อเพราะความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบจะเป็นเบกขาจะนั่งอยู่เฉยๆได้จะมีความสกับการอยู่เฉยๆนี่คือการฝึกสติเพื่อจิดสมาธิ เราได้สมาธิแล้วเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสดรูปเสียงกลิ่นรสปุจจพะเราก็ไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุจจพะแต่ถ้ากินเลยปัญหาความอยากยังเลิศอยากจะไปเสดอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสใจว่าอย่าไปตามคําชวนของ กิเลสต่างหาถ้าเป็นการพาไปสู่ความเครียดพาเป็นสู่ความทุกข์เพราะว่าเวลาที่ไม่ได้เสพ จ, จะมีความทุกข์มากความสุขก็มีแต่เฉพาะเวลาที่ได้เสพแต่เนความสุขกระเดียวกระดาวแล้วก็หมดไปพอเวลาที่ไม่ได้เสพเนีจ่จะจะเครียดจะทุกข์ตามมาใจ เ่านเวลาต้องนั่งอยู่ในห้องคนเดียว8ดชั่วโมงนั่งอยู่บนเก้าอี้เฉยๆนี่ที่มันเครียเพราะใจมีความอยากเป็นเสพลูกเสียงสินนักนี้ถ้าไม่มีความอยา ก, ป เ, กเป็นเสษแล้วใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วนั่งเฉยๆอยู่ในห้อง8ชั่วโมงนี้จะรู้สึกไม่เป็นปัญหาอะไรเลยดัง น, นั้นถ้าเราได้สมาธิแล้วออกเวลาออกจากสมาธิ กิเลสก็จะพื้นกลับคืนขึ้นมาแล้วก็จะมาชวนเราให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเช่ยังชวนให้เราไปเปิดตัวเย็นหาเครื่องดื่มดื่มหาขนมรับประทานเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าถ้าต้องการดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าไปถ้าต้องการรับประทานของก็รอให้ถึงเวลาก่อน วันนี้ไม่ใช่เวลารับประทานเราต้องมีมาตรการควบคุมกิจกรรมไม่ให้กิเลปัญหามาหลอกมาอ้างว่าร่างกายต้องการอาหารจริงอยู่เราต้องให้อาหารกับร่างกายแต่เราควรให้ตามเวลาเช่นถ้าเราวันนี้เรารับประทานอาหารไปแล้วก็ถือว่าหมดเสิทธแล้วเรื่องของขบเคี้ยวทั้งหลายถ้าจะขบเคี้ยวอาหาร ของรับประทานอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นวันพรุ่ง น, นี้เป็นเวลาที่เรากำหนดไว้วันนี้เราไม่เอาแล้วของขบเคี้ยวทั้งหลายที่เป็นอาหารเราจะเอาเพียงแต่น้าดื่มเปล่าเท่านั้นเพื่อร่างกายร่างกายต้องการน้าต้องให้อยู่เรื่อยๆทุกสองสามชั่วโมงก็ต้องดื่มน้าแต่ไม่ต้องดื่มน้าที่มีรสหวานรสเปรี้ยวลสอะไรต่างๆ อันนี้เป็นการเสพรถเป็นปัญหาความอยากในรสล้ำเปล่าๆนี่แหละที่เป็นการเสพน้ำจริงๆไม่มีรสชาติมาเกี่ยวข้องไม่มีกลิ่นมีสีมาเกี่ยวข้องนะเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีรสมีสีมีกลิ่นแสดงว่าเราไม่ได้ดื่มเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียว อดื่มเพื่อตันหาคือการมะตันหาด้วยคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏต่างะเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะการปฏิบัติของเราก็เพื่อที่จะหยุดรื้อตัดการมะตันหานั่นเองตัดยุภาวะตันหาตัดภาวะตันหาอย่างนั้นเราต้องระมัดระวังพอออกจากสมาธิแล้ว ถ้าอยากเสพด้วยเสียงกินลดก็ต้องหยุดนันถ้าอยากไปนู่นมาหนี้ก็ต้องหยุดมันเพราะนี่เป็นภาวัตหาเช่นอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปทำบุญจาการอยากจะไปทำบุญในตอนนี้ก็เป็นโทษจากการปฏิบัติเพราะทำให้จิตออกข้างนอกนักภาวนาะผู้ปฏิบัติผู้กิดวริเวณนี้จะต้องไม่ถูกกิเลสหลอกให้ออกไป ทำบุญทอดท่าตาทอดกระถิ่นทำบุญต่างๆเช่นฉลองบวชฉลองเจดีฉลองวันเกิดครูบาอาจารย์อันนี้สำหรับนักบุญคือนักทำบุญให้ทานเราได้เปลี่ยชั้นแล้วเราได้เลื่อนขั้นจากนั้นแล้วเราเคยเป็นนักบุญมาแล้วพอแล้วอันนี้เรามาเป็นนักบวชกันแล้วเรามารักษาศีล สิงสังวรสังงมงดีแล้วเรามาปฏิบัติทำมาเปรียบเรื่องแล้วเรามาต่อสู้กับกิเลสตัณหานะดังนั้นกิเลสตัณหาจะเอาอะไรมาหลอกเราเราก็ต้องรู้ถึงจะมาหลอกให้เราไปงานสุขของครูบาอาจารย์ไปงานเกิดวันเกิดของครูบาอาจารย์หรืองานอะไรต่างๆที่เป็นงานบุญงานกุญฝนสำหรับเราเราต้องถือว่า มันไม่เป็นบุญเป็นกุศลจำหรับเราเพราะมันมาบันทอนอการชาติกาลังการสร้างกําลังใจที่จะใช้ในการฆ่าความกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจการออกไปทำบุญต่างๆเหล่านี้กับเป็นการสร้างกําลังของกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นเราต้องคิดอย่างนี้ ออกไปแล้วก็ไปเห็นรูปเสียงกิ่นรสไปพบคนนั้นคนนี้ก็ได้พูดได้คุยกันสติก็เลยไม่ได้เจรินกันพอคนนั้นเขาหยิบเครื่องดื่มอะไรมาให้ดื่มก็ต้องดื่มด้วยความเกรงใจและด้วยความอยากที่มันสร้างอยู่เลยไม่รู้สึกตัวแต่ก็อ้างความเกรงใจแต่การกินถ้าเราไม่อยากแล้วต่อให้เขายัดใส่เข้าไปในปากก็ไม่เข้าถ้าไม่อยากกิน แต่เพราะความอยากก็เล ย, ชยโชว์อาการสร้างความตกลียดใจอันนี้แหละคือเล่ย์ผลของกิเลสทางหาที่มันแสนละเอียดที่มันจะหลอกล่าให้เราให้ออกจากการสร้างกําลังใจได้ออกจากการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาถ้าเราต้องถามตัวเราเองเราตอนนี้อยู่ในสถานภาพใด เราเป็นนักบุญแล้วเป็นนักบวชัะหน้าถ้าเราเป็นนักบุญเราก็ต้องยอมรับรางวัลของนักบุญก็คือได้ไปแค่สวรรค์เท่านั้นเองถ้าเราเป็นนักบวชเราก็ต้องรักษาสถานภาพของนักบวชไวเหมือนกับคนที่แต่งงานแล้วกับคนที่เป็นโสดสถานภาพต่างกันจะทำตัวให้เหมือนกันไม่ได้ คนที่เป็นโสนี้เขาจะไปเที่ยวกับใครที่ไหนเมื่อไรเขาก็ไปได้แต่คนที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วเขาต้องไปกับคู่ครองของเขาเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกัน พ, พุทธศาสนิกชนก็มีสถานภาพหลายสถานภาพดือยกันแ่้นยังอยู่ในสถานภาพของการนักเป็นนักบุญอยู่ก็คือนักสว่างบุญ ก็ไปเลยใครมาชวนไปทำบุญที่ไหนไปเลยไปอินเดียไปเลยไปวัดไหนไปเลยมีมุสงานบุญที่ไหนไปเลยเอาให้พอเอาใช้งานให้มันหมดเลยหมดแล้วมันจะได้ไม่ต้องไป น, นะพอหมดแล้วมันจะได้ปลายนจากนักบุญมาเป็นนักบวชได้แลวพอเป็นนักบวชแล้วนะทีนี้ไม่ไปไหนนะจะเข้าป่าอย่างเดียว จะไปเปีกวิเวกอย่างเดียวจะไม่สังคมกับใครไม่ติดต่อกับใครจะดึงใจให้เข้าข้างไหนให้ได้ด้วยการเจริญสติดิจนจงคมนั่งสมาธิตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจหนหลับไม่ว่าจะทาภารกิทอะใดที่จำเป็นจะต้องทำก็จะต้องเจริญสติควบคู่ไปด้วยปัดกวาดก็พุทโธไปด้วยหรือตลองดูการปัดกวาดเพียงอย่างเดียว ไ ม, ไ, าาไม่ให้จิตไปสู่อดีตหรือสู่อนาคตไม่ให้ไปคิดถึงใครทั้งนั้นให้จิตอยู่กับการปัดกวาดเพียงอย่างเดียวเวลาขกชันก็ให้อยู่กับการขกชันเพียงอย่างเดียวเวลาล้างซักกีวรซักท่าก็ให้อยู่กับการซักผ้าซักกีวรเวลาอาบน้ำอาบท่าก็ให้อยู่กับการอาบน้ำอาบท่าพอเสร็จปิดังนี้ก็ให้เข้าทางจงกรมทันที หรือให้นั่งสมาธิทนทีนอลับกันไปจนถึงเวลาต้องพักผ่อนหลับนอนก็พักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาก็รบเพื่อมาเดินจงผมนั่งสมาธิต่อจนกว่าจะถึงเวลาไปทําภารกิจต่างๆเช่นออกไปทำอาหารรับประทานอาหารถ้าเป็นพราก็ออกบินสบการดกลับมาฉันทํากิจต่างๆก็ทําด้วยสติ ไม่ให้จิตเนี้ไปคิดเรื่องอื่นได้ให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างกำลังใจเป็นการรักษาสถานะของนักบวนใครมาเชิญให้ไปทำดูที่ไหนก็ต้องปฏิเสธไปบอกว่าทำมาพอแล้วทำมาหมดแล้วไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วเงินหมดแล้ว เง น, นที่เหลือ่าต้องเก็บเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติเพียง อ, อย่างเดียวนี่คือการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลเราต้องมีมาตรการเราต้องรู้จากสถานภาพของเราว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพใดเพราะฉะนั้นละกิมันจะหลอกให้เราหลงการที่จะปฏิบัติก็จะหลอกให้เราไปทาบุญ เราเราก็จะไม่เจริญเจ้าแนาก็จะติดอยู่ที่บุญนี้เองอยู่ที่การทำบุญทำบุญมากี่ปีก็ยังอยู่ที่การทำบุญอย่า ง, งานั้นไม่ยอมรักษาสิ่แต่ไม่ยอมปิดวิเวกไม่ยอมภาวนาไม่ยอมออกบวชถ้าไม่ทาถ้าไม่ออกบวชก็จะไม่สามารถสร้างกาลังใจให้มีกาลังเต็มที่ที่จะต่อสู้กับ กิเลตัาเอาชนะกิเลสตัณหาได้การทําบุญเพียงอย่างเดียวนี้กําลังไม่พอที่จะปราบกิเลสให้หมดไปจากใจได้แต่การทําบุญก็เป็นเป็นการเอื้อต่อการปฏิบัติถ้าเราทําบุญหมดเราก็ไม่มีไม่มีเครื่องมือคือเงินทางที่จะเอามารับใช้กิเลสติดต่อไป เราก็ต้องเข้าวัดแล้วเพราะเราไม่มีเงินไปทำบุญแล้วเราก็ต้องวังคับใจให้เข้าสู่การปฏิบัติขั้นสูงต่อไปอยากอยากไปหรือไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะถ้าเราอยากจะเจริญอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะในชาตินี้เราต้องรีบทั้ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเรา มีเหนืออยู่มากน้อยเพียงไรไม่มีใครรู้ว่าตุงนี้จะอยู่กันหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสนอให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอ น, นุลว่าเธอต้องระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าให้รู้ว่าเรานี้สามารถตายได้ทุกเวลานาที เป็นหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบทำกิจที่เราควรจะทำคืสร้างกำลังใจให้มีกำลังมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาเพราะถ้าเรามีแล้วเราก็จะสามารถฆากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ พอหมดแนละ้วภารกิจของเราก็หมดเราไม่ต้องทําภารกิจอันใดอีกต่อไปจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราทําเสร็จกิจแล้วเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแต่ถ้าเราทําไม่เสร็จตายไปก่อนเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตาย ห, หน่มาปฏิบัติใหม่ หลายมาทางน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยนำทางมาคอยสอนเราเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรกันเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาในชาตินี้ถ้ามันยังไม่ฝังอยู่ในใจถ้ายังไม่มันยังไม่เป็นความจริงมันเป็นเพียงความจำาพอตายกลับมาใหม่มันก็จะเลือนหายไปความจำนี้มันหายได้ แต่ความจริงนี้มันไม่หายอย่างที่มีคนถามพระอาหารหันต์ว่ามีอะไรที่พระอาหารหันต์ไี่ลืมได้หรือไม่ท่านก็ตอบว่าลืมได้ลืมชื่อคนนั้นลืมชื่อคนนี้ลืมเหตุลืมสิ่ง น, นั้นลืมสิ่ง น, นี้เช่นกินยาไปแล้วบางทีก็ลืมว่ากินไปแล้วหรื อ, อยังอันนี้เป็นเรื่องของความจำลืมได้จำพอเสอจาวันที่ไม่ได้ เดือนที่แล้ววันที่ท่าไหลได้พบกับคนนั้นคนนี้จำไม่ได้แล้วมีอะไรที่ไม่ลืมไหมมีอะไรคือสิ่งที่พะอาไหลไม่ลืมก็คือความจริงความจริงคืออะไรที่ไม่ลืมก็คือพระอริยาาสัจสี่ทุกสมุจไถ่นีรนะ้รอดมาแล้ะอริยสัจสี่นี่แหละคือพระศาสนาคือพระพุทธศาสนา ไครมีพระอริยสัจสี่ภายในใจแล้วเป็นเหมือนมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้วมีมีแผนที่อยู่ในใจแล้วไม่มีวันลืมฐานะผ้าของตนไม่ลืมไม่มีวันลืมหน้าที่ของตนว่าจะต้องทําอะไรรู้ว่าทุกต้องกําหนดรู้รู้ว่าสมุทัยต้องละรู้ว่านิโรธต้องทําให้แจ้งรู้ว่ามกต้องเจริญให้มากไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหน จะเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่ไม่เป็นปัญหามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจคอยกระตุ้นใจให้เจริญมากอยู่ตลอดเวลานักก็คืออะไรก็คือศรัทธาวิวรยิยะสติสมาธิและปัญญานี่เองอันนี้แหละที่ไม่มีวันลืมพระอริยทุกพระองค์แต่ว่าแต่พระอราหันต์พะระพระโสดาบันท่านก็ไม่ลืมพระโสดาบันท่านถึงมีวันสิ้นสุดของการยืนวหวตายเกิด ถึงแม้ท่านจะไม่สามารถทำให้หมดไปได้ในชาตินี้แต่ท่านก็มีไม่เกินเจ็ดชาติตัวอย่างมากท่านไม่หลงทางท่านรู้ทางท่านมีแท็บนที่ติดตัวไปแล้วมีพระพุทธศาสนาอยู่ผู้กับใจท่านไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เป็นอะไรรู้หมดรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครอะไรทาให้เป็นพระพุทธเจ้า ก็คือผู้ที่รู้พระอริยสัจ ส, สีได้ด้วยตนเองนั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าแล้วคำสอรของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือพระอริยสัจ ส, สีนี่เองแล้วพระอริยสองสาวกคือใครก็คือผู้เห็นอริยสัจ ส, สี่ผู้มีอริยสัจ ส, สีภายในใจนี้นี่คือพระโสดาบันท่านจึงไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึง ไม่มีวันลืมพระพุทธศาสนาเกิดกิจภพกิจชัยท่านก็จะมีพระพุทธศาสนานำทางอยู่ตลอดเวลาท่า น, นสามารถปฏิบัติไปเองได้ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามานำทางอันนี้คือเรื่องของความจริงกับความจำธรรมะที่เราได้ศึกษาเริ่มต้นมันจะเป็นความจำก่อน ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาต่อมันก็จะเนื่อนลางไปพูดมากี่ครั้งแล้วพอกลับไปไม่กี่วันก็หายไปหมดเลยจาไม่ได้เลยว่าพูดอะไรบ้างแล้วก็เากลับมาฟังใหม่ๆฟังกี่ครั้งก็กลับไปก็เหมือนเดิมพาทิตย์ที่แล้วฟังอะไรไปบ้างจำได้หรือแล้วก็กลับมาฟังใหม่ก็ฟังเรื่องเก่านี้มันก็เรื่องกิเลสัญหาเรื่องสติปั ญ, ญญานี่นั้นเอง พูดอยู่ซ้ำแล้งซ้ำ อ, อปากเปลี่ยกปากทีกเรื่องการพูดอะไ น, นี้มันก็ยังไม่เข้าไปในใจมันเพิ่งจต่จาแล้วจาแล้วก็ลืมถ้าไม่เอามาคิดอยู่บ่อยๆมันก็ลืมได้ถ้าเอามาจรเลยบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ลืมได้เหมือนกันเราท่องสูตรคูณหรือว่ารูปพินดี ถ้าเราเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพิ่มอยู่ทุกวันเพิ่มดิสสัมผัสเราก็จะจาได้ถึงเวลาเพิ่มนี้เราก็เพิ่มได้อย่างสบายแต่ถ้าเราหยุดเพิ่มไปสักพักนึงเวลาจะมาเพิ่มใหม่นี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะเพิ่มถูกหรือไม่เพราะความจําเพราะถ้าห่างไกลจากมันไปไม่ทําอยู่ บ, บ่อยๆมันก็จะดื่มได้ ัง น, นั้นเราต้องพยายามทำเอานำเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ให้มันเข้ามาฝังอยู่ในใจให้มันเป็นความจริงมันต้องเห็นจริงๆต้องเห็นทุกข์จริงๆเช่นเวลาเครียดจริงๆเครียดจากเรื่องอะไรเราพิจารณาเห็นว่าความอยากนี้เองที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่อยากได้มันก็ไม่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปสั่งมันได้ เราอยากให้คนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มองพอพิจารณาจริงๆก็รู้ว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้แล้วเราจะไปทุกทาไมถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่องเช่นการอยากจะทิ้งเราอยากจะจากเราไปก็ให้เขาไปเสียก็หมดเรื่องพอให้เขาไปแล้วเราก็จะหายเครียดหายทุก ถ้าเราอยากให้เขาอยู่เราก็จะเครียดเช่นแฟนอาจจะป่วยเป็นโรคร้ายจะรักษาไม่หายแต่เราอยากจะให้เขาหายอยากจะให้เขาอยู่กับเราจมันก็จะเครียดแต่พอเราพิจารณาด้วยทรรด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารเราไม่สามารถเพื่จะการห้ามการตายของเขาได้ พอเรายอมรับเราปล่อยความอยากความเครียดก็จะหายไปนี่มันจะจำไปสฝังใจเลยทีนี้มันรู้แล้วว่าวิธีดับความเครียดดัแบบความทุกข์ก็คือการปล่อยความอยากโดยเฉพาะอย่างนี้ร่างกายของคนอื่อนนี้ไม่เท่าไหร่ร่างกายของเรานี่สาคัญกว่าเวลามันไปต่อเชิญความตายนี่้วมันยางปล่อยความอยากไม่ตายได้มันจะหายทุกข์เลย มันยอมตายเมื่อไหร่มันจะหายทุกข์ทันทีใจมันจะเย็นจะสงบเป็นอุเบกขาจะมีความสุขทั้งๆที่ทั้งๆที่จะตายมันกลับมีความสุขเพราะว่ามันพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายถ้าอยากให้มันไม่ตายนี่โอ้มันจะเครียดมากจะทุกข์มาก แต่พอยอมรับความจริงว่าถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องตายมันจะตายก็ให้มันตายไปพอหยุดความอยากได้ความอยากไม่ตายได้อย่างตายได้ปั๊บจิตมันก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเป็นเบคขาทันทีปล่อยวางร่างกายทันทีนี่แหละคือทุกสมุทัยไม่อรอดนะที่ตํางลางกันที่จะเห็นได้ชัดๆภายในใจ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีวันลืงพอไม่กลัวตายตั้งแต่วันนั้นมาแล้วจนถึงบัด น, นี้มันก็ไม่กลัวใจอยู่มันรู้จักวิธีปล่อยร่างกายแล้วมันรู้จักวิธีอทําให้ใจไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วนี่แหละคือการเห็นอริยสัจสี่ที่จะไม่มีวันหลงลืมมันจะอยู่ติดไปกับใจตลอดทุกภพกทุกชาติถ้ายังไม่ชิ้นสุด ของการเวียนว่าตายเกิด อ, อย่างเช่นพระส ว, วัสดิบาลท่านจะกลับมาเกิดอีกกี่ชาติท่านก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายท่านปรองได้พอเห็นคนตายพท่านจะพิจารณาร่างกายของท่านทันทีว่าร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วเราไะหยุด ย, ยับยับย้งมันไม่ได้พอรู้หยุดยับยับย้งมันไม่ได้ก็ไม่มีความอยากที่ไม่ให้มันไม่ตาย พอไม่มีความอยากไม่ตายมันก็ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเครียดกับความตายนี่คือเรื่องของความจริงกับความจำตอนนี้ทุกท่านยังความอยู่ยังเป็นความจำอเพราะยังไม่เจอความทุกข์จริงๆความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายจริงๆรในขณะที่ร่างกายเผชิญกับความตายจริงๆต้องเจอกันอย่างนั้นมันถึงจะ รู้ว่านิโลดได้หรือไม่ปล่อยได้หรือไม่พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือไม่ถ้าเห็นได้ปล่อยได้นิโรดก็จะเกิดขึ้นมาใจก็เย็นใจก็จะมีความสุขแทนที่จะมีความทุกข์กับความตายกับมีความสุ ข, ขนี่คือเรื่องของการสร้างกำลังให้แก่ใจด้วยการสร้างศรัทธา ชาตาเกิดจากการเข้าหาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะจากพระโอษรของพระพุทธเจ้าจากพระไจเป็กหรือจากพระคําสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นคําสอนอันเดียวกันสอนเรื่องอริยสัจสิสอนให้หลุดพ้นจากการยห็นว่าตายกิดอนให้เอาชนะกิเลสตัณหา เหมือนกันหมดถ้าศึกษาได้ยินได้ฟังจากทำที่เป็นสว่ากขาโตพ ร, ระวตาธรรมูก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาถ้าความทำที่มันแบบไม่ใช่เป็นสวากขาโตพ ร, ระวตาธรรมูคือเป็นเ้าเรียกว่าธรรมะประยุกต์ผู้ฟังผูพ้พูดเอามาประยุกต์มาพูดมาแปลอีกทีตามความรู้สึกนึกคิดของของผู้พูดเอง ผู้ฟังฟังแล้วก็จะไม่มั่นใจแต่ถ้าฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าฤๅพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้ฟังฟังแล้วจะเกิดความเชื่อขึ้นมาเพราะแสดงด้วยเหตุด้วยผลไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยแต่ถ้าผู้พูดพูดจากจินนาการนี้มีโอกาสที่จะฟังแล้วสับสน รือจะแย้งขึ้นมาได้วาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ดังนั้นการฟังธรรมที่จะเกิดศรัทธาขึ้นมาต้องฟังจากผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะผู้ที่หลุดพ้นแล้วจะได้ความจริงอย่างร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกับเราไปซื้อทองจากคนขายทองคนที่รู้ว่าทองที่เขาขายนี่ร้อยเปอร์เซนาจะพูดรับรองได้ ถ้าพิสูจน์ได้ทุกรูปแบบว่าทองที่เขาขายนี่เป็นทองแท้หรือไม่แต่คนที่เอาทองฟอน ม, มาขายนี่จะไม่กลา้าจะไม่พูดอย่างมั่นใจจะไม่จะไม่สามารถที่จะตอบปัญหาเรื่องความลังเลสงสัยของผู้ซื้อได้มีแต่จะบังคับให้เชื่อเป็นอย่างเดียวเชื่อเนะ่ะรับรองนะ่ะผมผู้ไม่โกหกหว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงโกหกแน่ <c oughs> ก็แน่จริงไม่ต้องรับตัวามารับรองให้เขาพิสูจน์ของที่เราขายเลยนะคุณเอาไปก่อนก็ได้เงินยังไม่ต้องจ่ายนลังจากคุณมั่นใจแล้วคุณค่อยจ่ายเงิน อ, อย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่ามั่นใจว่าของแท้ของจริงแต่ถ้าบอกว่าคุณต้องเงินมาก่อนแล้วของค่อยไปแเราก็ไม่รับคืนนี้ก็อยากไปซื้อ <laughs> คิดว่าขออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็คือเรียนต่อถ้ามันไม่อายากไปแล้วมาทำไม อัดมาไม่เต็มฮะไม่น่าใจไม่เต็มไม่แน่ใจครับอาจจะประมาณัชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่อยากจะใช้เพราะไม่อยากจะเป็นภาระต้องใหวมันลงไปชาร์จแต่พอดีช่วงนี้มันมีรถมารับทุกวันมันก็เลยมั่นใจว่าถึงเวลาจะชาร์จก็เอาไปชาร์จได้เมื่อก่อนนี้มันต้องแล้วแต่บางวันมีรถบางวันไม่มีรถ ถ้าไม่มีนวดถ้าต้องการจะชาต์มันก็ชาต์ไม่ได้อันนี้ดีหน่อยมันเบาเียแล้วมันก็เบาเนื้นอแล้วก็เพียงแต่หิวจะรถเข้าไปในห้องก็แทบไม่กี่ก้าอนุ่งจะหนักครับพีคนก็จะถว า, ายเครื่องใหญ่ๆมาให้บอกขอร้องเถอดคุณของาเราบ้างเราทํำทุกอย่างด้วยตัวเองเราก็ต้องพิจารณาว่าอะไรกําลังของเราเราทําได้เท่าไหร่เราก็ทํำไปเท่านั้น บางคนก็อยากจะให้ติดแผงโซล่าเซลล์ อ, อะไรบ้างเราทำอะไรมันเป็นเรื่องมากปัญหามากพยายามทำอะไรให้ที่มันมีปัญหาน้อยที่สุดง่ายที่สุดมีใครจะถามอะไรไหม ใครจะถามได้นะถ้าอยู่ถาไมอะไรการหาท่าการชีกงหรือว่าออกกํำลังแบบรู้เนื้อรู้ตัวรู้จิตรู้ลมหายใจอยนะ่างเงี้ือเป็นจงกรมรูปแบบนี้ยก็เป็นการเจริญสติอย่าไปใช้คําว่าเดินจงกรมเพราะเดินจงกรมก็มีการเดินไปเดินมา แต่การทําอะไรด้วยสติก็ถือว่าเป็นการเจริญสติการเดินจงกรมก็เพื่อการเจริญสติหรือเพื่อเจริญปัญญาการเดินจงกรมนี้เราทําได้สองอย่างเดินเพื่อเจริญสติแล้วก็ให้มีจิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพูโทโธไปหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของการเดินถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราก็เดินพิจารณาใจรักไปพิจารณาร่างกายไป ดูร่างกายว่าเกิดแก่เจ็บตายดูร่างกายของเราดูร่างกายของคนนั่นคนนี้ดูไปเรื่อยเจอร่างกายของใครก็พิจารณาไปว่าเป็นใตรักเป็นดินน้ำหนุนไฟคาถานภาพนี้เป็นเหมือนแผ่นป้ายที่ติดเอาไว้ที่ที่ตัวร่างกายเหมือนเวลาเราเป็นนักเรียนเราไปโรงเรียนเขาจะต้องปักชื่อของเราติดไว้ที่เสือ้อ เพื่อเขาจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ชื่ออะไรแต่ความจริงร่างกายมันไม่มีชื่อเรามาสมมติสร้างชื่อให้กับมันเองชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกชื่อสามีชื่อภรรยาอันนี้เป็นชื่อแต่ร่างกายทุกร่างกายเหมือนกันหมดเป็นอาการสาสิตสองเหมือนกันหมดมีแต่ผมขนเล็บันหนังเนือเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับทังผืไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำทะเลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหนือน้ำมันขุนน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยนี่คืออาการสามสสองมีอยู่ทุกร่างกายเหมือนกันหมดแต่เรากลับมองไม่เห็นความจริงของร่างกายเรากลับไปเห็นชื่อที่เขาติดให้กับร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้คือพ่อร่างกายนี้คือแม่ ร่างกายนี้คือสามีคือภรรยาคือลูกเป็นนายกเป็นมหากษัตัิย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายหมื่นนายพันนายแสนอันนี้มันเป็นสมมุติเป็นป้ายที่เขาติดไว้กับร่างกายไม่ใช่ตัวร่างกายตัวร่างกายเป็นเพียงอาการสาสบสองเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมีความมีคุณสมบัติอยู่สีประการคือเกิดแก่เจ็บตาย ตอนนั้นเองนี่คือสิ่งที่เราควรจะมองเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะได้ไม่ตกใจถึงเต้นว่าเป็นขึ้นมาก็รู้อยู่แล้วมันก็แค่ดินน้ําลมไฟเกิดแก่เจ็บตายอาการสามสบสองมันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผู้ที่มาเชิดร่างกายนี้ต่างหากที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผู้ที่เชิดก็คือใจใจเป็นผู้เชิดร่างกายร่างกายเป็นเงินหุ่น ใจเป็นผู้เชิดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้พูดสั่งให้ทํานั่นทํานี่ตัวร่างกายเองถ้าไม่มีผู้เชิดก็จะอยู่เฉยๆทําอะไรไม่ได้ร่างกายที่ไม่มีร่างกายที่ตายไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีผู้เชิดแล้วไม่สามารถดูแลร่างกายของตนเองได้ต้องให้คนอื่นจับใส่ลงต้องไปให้คนอื่นเขาเอาไปเผา ทำชาปนากิจเพราะไม่มีผู้เชิญแล้วต้องอาศัยผู้อื่นมาเชิญให้เขาก็เชิญได้เพียงแต่จับใจลงแล้วก็เอาไปเผาเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาแล้วจะทำให้เราละสัจ ก, กายทิฏฐิได้ทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือ เวลาเดินจงกรมเราทำได้สองลักษณะเราจะพิจารณาก็ได้ถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราก็พิพจารณาไปถ้าเรายังอยู่ในขั้นจเจริญสติเราก็ควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเจริญพุทโธก็พุโทโธไปบริกรรมพุโทโธไปอาจจะใช้การยากตระาสติใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจก็ดูการเดินไป ยูที่เท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ ส, า ส, าสำคัญไม่ให้ไปคิดเรื่องต่ตางๆนานาให้อยู่กับอารมณ์เดียวใจก็จะว่างใจก็จะเย็นใจจะสบายเวลากลับมานั่งสมาธิก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการออกกาลังกายก็เหมือนกันจะออกกำลังกายแข่ง แ, งแข่งแขนแ่งเท้าก็นับไปกระดหนึ่งงห้พครบ แล้วเราก็เปลี่ยนท่าของเราไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็ยังจะเจริญสติ <c oughs> การบริหารร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าอยากจะดูแลรักษาร่างกายให้เป็นปกติ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําการบริหารมันก็จะเกิดอาการพิกลพิการได้ง่าย <c oughs> คนที่มีร่างกายทุกคนก็ต้องบอริหารกันนั้น อุบาจารย์ท่านก็บ่อยหาหลวงต า, าสมัยก่อนตอนเช้านี่ท่านจะลงมามาคุมพระตอนเช้าก่อนจะเป็นระบายท่านจะต้องมาที่สาวาเอากาลามะพร้าวมาขัดพื้นมากราดมาเตรียมจากสถานที่เวลานั้นหลวงตาท่านก็จะมานั่งที่ร่งของท่านแล้วท่านก็จะนั่งดัดหลังของท่านยืดเท้าออกไปแล้วก็ก้มหน้าให้ลงไป ศีษะให้ลองจดพื้นเลยท่านท่านออกกำลังดัดไปแล้วก็คุมพระไปในตัวเพราะถ้าท่านไม่อยู่พรบองคง์นี้ก็จะจะจะหลบจะจะไม่ทำเรรกันไม่ช่วยกันแต่ถ้าท่านอยู่นี้ทุกคนตั้งคำหักคำเม่นกัการการดูแลรักษาร่างกายก็จำเป็นจะให้อยู่ในขอบเขตของเหตุผล ก็จะไม่เป็นตันห า, าถ้าดูแลจนเกินเหตุเกินผลแบบว่าอยากจะให้อยู่อยากจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเลยอยากให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ตลอดเวลามียาวิเศษขนาดไหนก็หามามีอะไรที่ดีก็เอามาไออย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของตันหาแล้วถ้าดูแลเพื่อที่จะให้มันอยู่ไปตามตามตามวาระของมันไม่ให้มันเป็นอะไรไปก่อนเวลา อันนี้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลถ้าไม่มีกิเลท่านก็ดูแลไปตามสภาพของมันครับแล้วท่านก็ไม่ได้ดูดแลเพื่อตัวท่านเองตัวท่านนี้ท่านได้ใช้ร่างกายถึงที่แล้วได้ได้บรรลุ ป, ประโยชน์ที่ท่านต้องการแล้วทีนี้การรักษาร่างกายของท่านก็เพื่อที่จะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเท่า น, นั้นเองสอนผู้อืให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ จากธรรมะที่ท่านได้สัมผัส ร, รับรู้มาก็มีทางนั้น เพราคัญเราต้องดูแลใจเรายิ่งกว่าดูแลร่างกายร่างกายขอให้เราดูแลในฐานะที่เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายตอนนี้เราสมมติตายไปตอนนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้ยกเว้นว่าถ้าจิตใจของเราอยู่ในระดับของพระอนาคามีแล้วถ้าอนาคามีนี้ท่านปล่อยวางร่างกายได้แล้วท่านไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ เพราะปัญหาของท่านไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาของท่านอยู่ที่ใจท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่หรือเป็นพระโสดาบันอยู่นี้เรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมเรายังต้องพิจารณาถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต้องพิจารณาสุภาเพื่อที่จะได้ปล่อยวางการมาราคะ การมาราคะนี่มันติดอยู่ที่ร่างกายมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นร่างกายที่ไม่สวยงามว่าสวยงามจึงเกิดการมารมขึ้นมาถ้าเห็นว่ามันไม่สวยงามภาพการมารมก็จะดับไปการที่จะเห็นมันไม่สวยงามได้ก็ต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายต้องมองเข้าไปข้างในหรือมองตอนที่ร่างกายตายไปแล้วเลีนไป ไปล้างป่าชานี้ก็จะเห็นสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับร่างกายที่สวยงามว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ามันก็เป็นอันเดียวกันเพียงแต่เรามองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามเราก็เลยเกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามก็การอารมณ์มันก็จะถูกดับไปถ้าเราไม่มีอสุภาษก็ไม่มีอะไรจะมาดับการอารมณ์ได้ เราก็ต้องไปเสพกามอยู่เรื่อยๆเสพแล้วก็ติดเหนคนติดยาเสพติด เ, เวลาเกิดการบารมณมแล้วไม่ได้เสพก็เกิดปฏิกะความหงุดหงิดใจแต่พอได้เสพแล้วความหงุดหงิดใจก็หายไปพอเกิดความหงุดหงิดใจก็เลยต้องเสพกามอยู่เรื่อยๆปัญหาของผู้ที่ติดในการว่าเวลาเกิดการบัลลุมนีมัน้าไม่ได้เสพมันหงุดหงิดใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตา่าง อยากจะสูบบุหรี่พอไม่ได้สูบมันก็หมดหงุดหงิดใจอยากจะดื่มสุราไม่ได้ดื่มมันก็หมดหงุดหงิดใจอยากจะดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มมันก็หมดหงุดหงิดใจอยากจะไปชอปปิ้งไม่ได้ไปมันก็หงุดหงิดใจเรื่องอะไรนี้เป็นเรื่องของกามอารมณ์นะเรื่องของลูกเสียงกิน่นรสปวดท่พระแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่ามันเป็นอรสุภาแล้วต่อไปมันก็จะ ไม่มีความปรารถนากับร่างกายหรือกับรูปเสียงกลิ่นรสผัวตาพาชนิดต่างๆมันก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าเรายังยังต้องใช้ร่างกายเราก็ต้องดูแลมันไปแต่ก็ดูแลแบบธรรมดาที่ก็แบบที่พระเนนเขาดูแลกันรับประทานวันละมือ้อออกกาลังกายก็เดินจงกลม แล้วก็เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการสร้างกาลังใจสร้างศรัทธาสร้างสติวิริยะปัญญาสมาธิสร้างคุณธรรมห้าประการนี้อย่างพระโสดาบานันนี้ท่านก็ได้ศรัทธาเต็มที่แล้วท่านไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพร ะ, งพระสงฆ์แล้วจะดงว่าท่านเห็นพระอริยสัจสีแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นอะไรก็เห็นอริยสัจสีที่เกิดขึ้นภายในใจจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการนั่งคิดจินตนาการไปอย่างที่พวกเราทํากันตอนนี้อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นทุนทกข์แบ บ, บแปวดเล้าภายในหัวใจเราก็เห็นเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองเราพิจารณาสิ่งที่เราอยากว่าเป็นตายรักก็ก็ปล่อยมลงไปความอยากก็ก็หยุดดับไปความทุกข์ก็หายไป อย่างนี้แล้วมันจะจำไปจนวังตายมันจะไม่มีวันลีมมันจะไม่รู้เลยว่านี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองแล้วเวลาจิตสงบแล้วเป็นอย่างไรก็รู้ว่าจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เองแต่เ <han á t ida> มื่อว่าจิตสงบนี้แหละคือจิตของพระพุทธเจ้าพอเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นผู้ที่ทท ผ, ผู้ผู้ที่ปฏิบัติจนเห็นธรรมนี่ ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงสางไรูก็เลยไม่สงสัยในเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เป็นอย่างไรสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดละออบอกได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับพระอริยะสงฆ์เราก็จะไม่มีวันสงสัย งันอยู่ที่การปฏิบัติของเราเริ่มต้นก็อยู่ที่การฟังก่อนฟังกันเพื่อให้ฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วก็จะมีกําลังใจมีสวิริยะความภาคเพียงที่จะเจริญสติที่จะนั่งสมาธิที่จะพิจารณาเนีหมือนเป็นขั้นเป็นตอนไปอยู่ที่ตัวเรานะอยู่เองอัตตาหิอัตนาโลนาคผล่ ไม่มีใครสามารถที่จะมาปฏิบัติให้กับเราได้ตัวใครตัวมันจริงๆใครปฏิบัติใครก็ได้ใครไม่ปฏิบัติใครก็ไม่ได้ดังั้นก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติกันให้มากที่สุดไม่ว่าเดี๋ยวจะให้พรก่อนนะมีคณะใหม่มากเยอะก็เดี๋ยวข้าถอยของเถียงด้วยจะถวายก่อนนะ่าให้พรเสายก่อนหรือถวายก่อน ขอ บ, อ ข, บขอบขอบคุณ่นทุกั่านขอบไปเียรถ้าอยากจะขอบคุณก็ขอให้ปฏิบัตินะค่ปะปฏิบัติผ <c oughs> ู้ชเอ อ, อ, อแนี่แรงเเอาครั้งนี้กันแล้วกันนะขอบคุณใจเยนใจรักการให้ผู้อื่นที่ต อ, อรออยูก็ได้เข้ามา